มาที่เลยมองดูพระพุทธรูปเบื้องหน้านั่งเอาขาขวาทับขาซ้ า, ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับมือซ้าย ให้หัวแม่มือจดกันนิดหน่อยอย่าให้ถึงกับตึงเครียดนั่งตั้งกายให้ตรงแต่อย่าไปเก่งหรือกดข่มกล้ามเนื้อและประสาทส่วนใดส่วนหนึ่ง ต่างใจกำหนดรู้จิตของตัวเองจิตของเราอยู่ความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตของเราก็อยู่ที่นั้นลองกำหนดรู้จิตทำจิตให้ว่างๆอยู่สักพักหนึ่ง แล้วทำความรู้สึกในจิตว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราพระธรรมอยู่ในจิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ในจิตของเราจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระ เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีจิริยารู้รู้ของจิตนั้นคือพุทโธที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วการทรงไว้ซึ่งความปกติทางกายวาจาและจิต มีความสำมรวมรู้สึกตัวอยู่เรามีพระธรรมอยู่ในจิตของเราคือรู้ได้แก่พโพธิพโกโเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจใ จ, ใ จ, จะทำนำหนด ครู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจเป็นกิริยาของพระสงค์เราก็มีพระสงค์อยู่ในจิตของเราดังนั้นในอันดับต่อไปเราจะกำหนดรู้เอาจิตของเราเท่านั้น ช่วงนี้ทุกคนให้มีสติกำหนดรู้จิตของตัวเองให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่เมื่อกายกับจิตของเรายังสัมพันธ์กันอยู่อะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายและใจ จิตตัวผู้รู้เขาจะทำหน้าที่รับรู้ของเขาเองโดยอัตโนมัติในทางปฏิบัติเราต้องมีสติประครับประคองอยู่ที่จิตของเราเองเสียงพูดแม้ว่าทุกคนจะไม่ตั้งใจฟัง แต่เมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่จิตเขาจะรับรู้เองเพราะท่วง น, นี้เขามีหูเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารกับโลกภายนอก <c oughs> คือนอกจากตัวของเขาเอง ดังนั้นเมื่อนักเกรียนพากันมากำหนดสติรู้จิตของตัวเองตั้งใจรู้จิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เรายังไม่บริกรรมภาวนาหรือนึกถึงอะไรทั้งสิน้นให้ตั้งใจกำหนดรู้จิตคอยสังเกตรับฟัง เสียงที่ผ่านเข้าไปทางหูซึ่งจะเริ่มต้นโดยการพูดถึงศีลที่เราได้สมทานแล้วศีลคือความปกติกายปกติวาจาปกติใจหรือปกติจิต เวลานี้กายของเราอยู่นิ่งนิ่งกายก็ปกติวาจาเราอยู่นิ่งนิ่งไม่พูดวาจาก็ปกติจิตของเรามีสติกำ ร, ร, รู้กำดรดูจิตอยู่เฉยกำนดูเฉยอยู่จิตก็เป็นปกติ ความปกตินี่คือลักษณะของศีลศีละแปลว่าปกติปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เราเป็นผู้มีศีลแล้วปกติกายคือกายไม่ฆ่าไม่ประทุจร้าย ปกติวาจาคือปากไม่พูดคำหยาบไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดยุยมไม่พูดเพอ้เอเจ้อเล้วไหลอีสปกติไม่คิดอิจฉาตาร้อนใครมีสติกำหนดรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็ได้ชื่อว่ามีศีลกายก็มีศีลวาจาก็มีศีลจิตก็มีศีลเรามีแล้วเพราะเราได้ตั้งใจสมาทานที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราน้อมจิตน้อมใจคอยฟังธรรมทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีลห้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาจะให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาความเอ็นดู ความปรานีต่อกันและกันเพราะประโยคแรกท่านจะสั่งว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าคมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาพยาบาทกัน สิ่งดังกล่าวมานี้อยู่ในขอบข่ายแห่งศีลห้าข้อที่เราได้สมทานมาแล้วถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกซึ่งกันและกันและไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเบนซึ่งกันและกัน สังคมเราจะมีความสงบสุขราบรื่นหรือไม่รับรองว่าสังคมของเราจะมีความรู้สึกสงบราบรื่นนอกจากจะราบรื่นแล้วยังแกมใสเราจะยิ้มแย้มเข้าหากันอย่างฉันนิด เราจะมองดูเพื่อนฝูงของเราฉันมิตรเมื่นเบิ่นกับเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวคา น, นตามกันออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมก็มีความสงบสุขประโยชน์ของการรักษาศีลห้าหนึ่ง ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะปาณนาฏิบาตเราพยายามฆ่าท่านท่านก็จะต้องพยายามฆ่าเราอาจินราานการยิดหวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาต โดยอาการแหงขโมยเมื่อท่านรู้ท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่ถ้าเราเก่งกว่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายฆ่าท่านกาเมสุมิชฌาจารย์คมแหงน้ำใจกันไอแอบทํโชุสูเมียหรือโูกเต่าของท่าน เมื่อท่านโกรธท่านก็พยายามฆ่าเาหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านโมสาวาดหลอกลวงอำพังให้ท่านเสียผลประโยชน์เกียรติยศเสื่อเสียงท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาหรือไม่เราก็ต้องฆ่าท่านสุราตัวมัวเมา หรือเมินเมาด้วยฤทธิ์แห่งของเมาหรือเมาในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขทำให้เกิดความอิจฉาตาร้อนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมีการฆ่ากันเพราะฉะนั้นศสีลนห้าข้อนี้จึงเป็นคุณนธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันประการต่อไปศีลห้าประการเป็นคุ ณ, ณธรรมตัดทอนผลเพิ่มของบาปบาปที่เราเคยทำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เช้านี้ บัดนี้เรามางดเป็นจากการทบาบาปตามกฎของศีลห้าข้อนั้นเราได้ชื่อว่าตั้งใจตัดกรรมตัดเปรนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากเราสามารถปฏิบัติต่อต่อไปจนกระทั่งตลอดชีวิตของเรา เราก็จะได้ตัดกรรมตัดเวรตลอดทีวิตของเราการตัดกรรมก็คือหยุดทำความทั่วความบาปการตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวนซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกันให้รู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกัน โทษคำผิดก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษทีเมื่อผู้ถูกขอโทษก็ควรจะรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดวิตระการต่อไปเป็นอุบายสำหรับตัดพรกิเลสความทั่วฝ่ายบาป ให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีความโลภคือความอยากได้มีความโกรธเกิดจากความไม่พอใจมีความหลงในสิ่งที่เราติดพันความโลภเป็นกิเลสที่ชั่วช้าลามกเป็นอกุศลมูล เป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนให้เราละละโลกละโกรธละหลงแต่ถ้าเราละไม่ได้พยายามหักข้ามจิตอย่าให้ประพฤติรุ่งเกินศสีลนห้าขอ้อข้อใดข้อหนึ่ง จอไม่ล่วงเกินในสิ่งที่เป็นบาปเช่นการค่าเบียดเบียนขม่มเหงรังแกอิจฉาตาร้อนเป็นต้นอันนี้เราตั้งใจละเอาได้ละการกระทำการกระทำที่เราทำด้วยกายวาจาและคิดด้วยใจมนเหตุมันเกิดจากความโลภความโกรธและความหลง เพราะฉะนั้นให้หลับศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดยึดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติการกระทำสิ่งใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะทำด้วยความโลภ ก, ก็ทำลงไปแต่ขอให้เป็นการทำดี เราให้ความโลภความโกรธความหลงให้เป็นสิ่งกระตุน้นเตือนจิตของเราให้เกิดมีความทะเยอทยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์เพึงประสงค์มีอยู่ห้าอย่าง หนึ่งลาบได้แก่ผลประโยชน์ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองและวิชาความรู้สองยศได้แก่ยศที่ยศยศดดถาบรรดาศักดิ์เรามียศเป็นนายมียศเป็นเด็กชายเราต้องการอยากจะให้ยศของเราสูงขึ้นไป เราต้องใช้ความโลภเป็นเครื่องกระตุน้นเตือนใจของเราให้เกิดความขเยอทยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสร้างความโกรธในสิ่งที่มันจะทำให้เราเสียประโยชน์และคุณธรรมให้มากโกรธความโง่เอาความโลภมากระตุน้นให้มันขยันเรียน เอาความโลภมากระตุ้นให้มันขยันในการฝึกหัดเพือขยันในการถามการคิดการขีการเขียนโูจิโปนิโซฟังโอถาม อะไรไม่เข้าใจเราถามขยันถามเลขีดเขียนคือฝึกหัดให้มันคล่องมือเมื่อเราหมัน่นเราขยันเอาความโลภเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจขยันฟังขยันถามขยันเขียนขยันคิด การถามเป็นอบายวิธีฝึกขัดปากของเราให้มีความกล้าหาญฝึกขัดนิสัยของเราไม่ให้อายครูโบราณท่านกล่าวว่าอายครูไม่ได้ความรู้อายโทษไม่ได้อะไรให้เธอหลักว่าเราต้องกล้า อะไรที่เราไม่เข้าใจต้องขยันถามฟังแล้วไม่เข้าใจต้องถามถามมาแล้วต้องเผือขัดเพื่อขีดเขียนให้มันคล่องตัวแล้วก็เกิดข้าวบายและเหตุผลในการกระทานั้นๆว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเกิดคนเกิดประโยชน์อย่างไรเป็นคนหรือเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราทำตามดังที่กล่าวมาแล้วได้คือว่าเราใช้ความโลภของเราถูกทางใช้ความโกรธของเราถูกทางเพราะเราโกรธความโง่โกรธความไม่มีความรู้ในเม่กเกลียดหรือโกรธความไม่มีความรู้ความโง่ต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียน เอาความโลภเป็นแรงกระตุนต้นเตือนสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในการในในข้อต่อไปคือเชื่อเสียงอันงามการสร้างเชื่อเสียงให้โด่งดังหรือเชื่อเสียงอันงามขยันเรียนมีความประพฤต สุภาพเรียบร้อยชายประพฤติเป็นสุภาพบุรุษหญิงประพฤติตนเป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นสุภาพชนโดยยึดศีนห้าเป็นหลัก ในเมื่อเราประพฤตได้ดังที่กล่าวมาเราก็มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าเราจะปรารถนาพิทาความรู้รู้ทรัพย์สมบัตินานับประการความมุ่งหมายอยู่ที่ความสุขกายและสุขใจเราเกิดมาชีวิตหนึ่งหนึ่งมาเป็นคนร่วมโลกเขา เราควรจะพยายามหาความสุขกายสุขใจในทางที่ชอบด้วยหลักศีลธรรมกฎหมายปกครองบ้านเมืองและเหตุผลยังจะได้ช่ ว, ว่าปัญญาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาประการสุดท้ายคืออำนาจได้แต่ความได้แก่ความเป็นใหญ่ การสร้างอำนาจเราจะต้องพยายามสร้างตัวเองให้มีอำนาจบังคับตัวเองให้ได้เวลามันขี้เกียจบังคับให้มันเกิดความขยันเวลามันอืดอาดลุกจากนั่งยา ก, ายากบังคับให้มันคล่องแคล่วว่องไว เวลามันเกิดขี้คลาดบังคับให้มันเกิดความคล้ า, าหาญในทางที่ชอบมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤติอ่อนโยนนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่โซภาพโมรษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็ง เพราะเขามีสุขภาพกายดีสุขภาพใจจิตก็ดีจึงเป็นผู้มีดีพร้อมเมื่อเขามีดีพร้อมเขามีอำนาจในตัวของเขาเองเมื่อได้รับการศึกษาเร่าเรียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สำเร็จปิญญาตรีโทเอกมา ในเมื่อเราไปทำธุรกิจส่วนตัวเราก็มีอำนาจในหน้าที่ของเราเมื่อรับราชการเราก็มีอำนาจหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายให้เรามีอำนาจที่จะทำอะไรโดยไม่มีใครขู่เข็นบังคับเราทำด้วยความพอใจ โดยอาศัยกติกาคือกฎระเบียบศีลห้าเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยประการต่อไปประโยชน์ของการรักษาศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นขอบเขตของการใช้เกเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม การทำอะไรด้วยกายวาจาและใจเมื่อไม่เพียรเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งทำให้มันมากมากทให้มันมากมาแต่เสียงใดที่เิียเสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งให้งดทันทีประการสำคัญที่สุดเสียนห้านี้ ขอฝากลูกหลานเอาไปเคิียดเป็นการบ้านหลวงตาว่ามันเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบอบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อใครมีศสียง้าก็ได้คือว่าเคารพทุกสิทธิ เศรษฐีนในการดำรงชีพอยู่โดย เ, ยเสรีเศรษฐีนในการครอบครองทรัพย์สมบัติโดย เ, ยเสรีเศรษฐีนในการใช้ผลประโยชน์ในคู่ครองของตนโดยเสรีถูกต้องตามกฎหมายปกครองบ้านเมืองและศีลธรรม เราก็ได้เยึดอาธรรมะอันเป็นหัวใจของความเป็นเสรีภาพเสรีชนโดยมีเหตุมีผลมีขอบเขตมีกัติกาเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกัติกาเวลานี้เรามาศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เรามายด์เอาเศียรห้าเป็นกติกาแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปความทั่วร้ายโพใดต้องการจะละบาปความทั่วร้ายให้ยึดเศียรห้าเป็นหลักปฏิบัติให้เคร่งครัดเราก็ได้ชื่อว่าละซึ่งบาปทั้งปวง อนี้เมื่อเราละบาปทั้งปวงได้แล้วเราตัดกรรมตัดเวนได้เด็ดขาดเราจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่ต้องไปหวาดระแวงภัยว่าจะมีภัยใดๆบังเกิดขึ้นนอนอยู่บ้านก็สบายมานอนในป่าอย่างนี้ก็สบาย โดยอาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจคุณความเมตตาปราณีของครูบาอาจารย์แผ่คลุมเราเราก็มีความสุขกายสุขใจนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าที่เราจะมองเห็นในปัจจุบันนี้ ส่วนเรื่องรักษาศีลแล้วไปสวรรค์รักษาศีลแล้วถึงนิพพานอันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเรามาคาทำความเข้าใจในประโยชน์ของการรักษาศีลห้าในปัจจุบันนี้ให้มากๆาะศีลห้าเป็นอุบายให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปรานีในกันและกัน ศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันศีลห้าเป็นอบายตัดกรรมตัดเวรกรรมคือการกระทำเวรคือการผูกได้แก่การคอยจองร่างจองฐานคอยแก้แค้นซึ่งกันและกัน ศีลห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ดโดยความเป็นธรรมศีลห้าเป็นคนนุณธรรมที่เป็นยอดแห่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยผู้ต้องการจะให้บ้านเมืองมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องพิจารณาศีลห้า จะเอาศีลห้ามาเป็นหลักปฏิบัติและก็ไม่ต้องหนักใจถ้าใครยังงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตวัดชีวิตมาประกอบอาหารเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่ได้ถ้านึกสนุกอยากจะมีศีลห้าก็เข้าั้ง <c oughs> ก็ให้ตั้งปณิฐานให้แนวแน่ ว, ว่า เชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนฉันจะปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขอมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุกกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดพยายามนึกเอาไว้อย่างนี้ตามใดดังที่กล่าวมาเราจะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติสมาธิภาวนาเราต้องรักษากายวาจาของเรา ซึ่งเปรียบเหมือนเปลือกไข่พอห่มไข่แดงคือจิตของเราเอาไว้ธรรมชาติของไข่ไก่ไข่เป็ดที่เราจะเอาไปฟักให้มันเกิดเป็นตัวเราต้องพยายามทนุถนอมประครับประคองอย่าให้เปลือกมันมีรอยร้าวหรือรอยบุ ถ้ามันมีรอยร้าวหรือรอยบุบเอาไปฟักมันจะไม่เป็นตัวมีแต่จะเน่าแต่ถ้าเรารักษากายวาจาไม่ให้ละเมิดโทษตามศีลห้าได้จะว่าเป็นผู้มีศีล ในจะว่าเป็นผู้ธนุถนอมรักษาเปลือกไข่คือกายวาจ า, จาของเราให้ปลอดภัยไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยบุ๋เราจะนำไปฝึกสมาธิภาวนาจิตของเราก็เป็นสมาธิได้ง่ายอย่าว่าแต่พวกเราซึ่งเป็นเด็กวัยหนุ่มวัยสาวหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นขรือหัด แม้แต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชในศาสนานี้ต้องรักษาเศียนห้าศียห้าและเศียน220สองรอยยี่สิบเก็ดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไปละเมิดสิคขาบทข้อใดข้อหนึ่งในจำนวน220สองรอยยี่สิบเก็ดข้อ กายวาจาของท่านผู้นั้นอันเปรียบเหมือนเปลือกหุ่มไข่จะมีรอยร้าวทันทีในเมื่อมีรอยร้าวคุณภาพของความเป็นนักบวชเป็นพระก็ลดน้อยลงไปหนึ่งเปอร์เซนตละเมิดสิกขาบทวินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหลายหลายข้อ คุณสมบัติแห่งความเป็นนักบวชเป็นพระขอลดลงตามลำดับแม้ว่าเราจาประปจิญญาตนเป็นสมณะผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบแต่ละเมิดสศีขบทวินยัยแม้แต่อาบัตทุกกดอาบัตปาจิตีเป็นอย่างต่ำได้ชื่อว่าเป็นผู้ลวงโลก ยกตัวอย่างเช่นพระทุดงไปเดินทุดงกรรมาฐาน <c oughs> ท่านเดินไปองค์หนึ่งองค์เดียวไม่มีวยญญาพจกรคือไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นครือัน์ไม่มีใครถือสตังให้แต่ท่านเอาสตังใส่ย่ามของท่านไปท่านเย็บใส่ย่าม เป็นอาบัตินิสคีปาจิตตีหนึ่งตัวในเมื่อหยิบออกจากย้ามไปซื้อของเป็นอาบัตินิสขีปาจิตตีอีกหนึ่งตัวของที่ได้มาบริโภคใช้สอยถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาบัตินิสขีปาจิตตีพวกคำกรื จาเป็นสบงจีวอจะเป็นอาบัตนิสกีปาจิตีโคกระยะที่นุ่งห่มแล้วเปลื้องออกจากกายแล้วนำมานุ่งห่มอีกเป็นว่าเงินบาทเดียวเป็นอาบัตถึงสี่สามตัวเลือไข่ของพระคุณเจ้ารรา ละเมิดตัวหนึ่งเพียงแค่ร้าว้าวนินดๆพอละเมิดตัวที่สอง้าวจนรอบละเมิดตัวที่สามบุกใจหรือจิตซึ่งเปรียบเหมือนไข่แดงเพราะละเมิดสิขบทวินัยจึงกลายเป็นไข่เน่าไปเดินเท้าดงกรรมฐานก็กรรมฐานไข่เน่า เป็นนักปฏิบัติก็เป็นนักปฏิบัติไข่เน่าใกล้ตอมักผลนิพพานหรือคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, าจึงสอนว่าตัสมาสิลังวิโซทยิสาทุชนพ่งชำละศีลของตนให้บริสุทศธศิ์สตราเสียงดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น จนถึงบัดนี้เป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติเมื่อเรามีสติกำนดรู้อยู่ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราได้ยินเสียงมีสติมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราได้ใช้เสียงจะเป็นอารมณ์กรรมฐานเราได้ปฏิบัติกรรมฐานควบคู่กันไปกับการฟังเพราะกรรมฐานนี่คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าห้องเรียนอ่านเป็นกิจประจำวันของเราเมื่ออาจารย์มาเยืนหน้าห้องท่านทำการสอน ถ้าเรามองจ้องที่ตัวอาจารย์ท่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละปฏิบัติต่อเนื่องกันพุกทั่วองค์ที่ได้รับการสอนถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดเมื่อเกิดความคล่องตัวชํชนานิชํานาญเราจะรู้สึกว่าจิตและสายตาของเราจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ อย่างไม่ลดละโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นแสดงว่าสมาธิของเรากำลังเริ่มจะเกิดแล้วแต่ถ้าเราฝึกกาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดยั้งหายหลังสายตาจะจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์แต่ความรู้สึกทางจิตจะย้อนมาอยู่ที่ตัวเราเอง มาเตรียมพร้อมอยู่ในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านหยุดหายใจนักเรียนนักศึกษาคนนั้นสามารถที่จะลู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตจะโว้ไปนิดหน่อยคำตอบจะปุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอา เวลาไปสอบจริงๆเิตเขาจะบอกให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิให้ประยุกกับการเรียนการศึกษาการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการปฏิบัติสมาธิโดยเอาเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอารมณ์จิตธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกสิ่งที่เราจะได้คือสติมีความมั่นคงมีความมั่นคงคล่องแคล่วว่องไวรู้ทันเหตุการณ์สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ตกไปได้ อันนี้เป็นวิธีการทำสมาธิให้สัมพันธ์กับเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันส่วนการทำสมาธิตามวิธีการท่านอาจารย์ผู้ให้การอบรมท่านจะให้เราท่องภาวนาพุทโธบ้างยบหนอพองหนอบ้างสัมมาอารหังบ้าง เหรือไม่ให้ท่องอะไร <c oughs> ก็ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเราจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมที่เราเคยศึกษามาแล้วจากท่านอาจารย์จรรยันทร์ซึ่งจะทำธุละต่อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการทำสมาธิทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง สุขภาพจิตมีความเข้มแข็งดังนั้นก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอเตือนให้นักเรียนทุกคนจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่พักหนึ่งแล้วในอันดับต่อไป ให้เราตั้งใจเชื่อฟังอาจารย์ผู้ให้การอบรมให้เอาใจจดจอ่อมีสติกำหนดไว้ในจิตของตนเองแล้วเสียงจะผ่านเข้าไปในทางหูเองจิตเขาจะทำนาที่รับรู้เองธรรมชาติของกายกับจิตถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ แม้อะไรจะผ่านเข้ามาทางตางหูจมูกเลิ้นกายและใจเขายอมทำหน้าที่รับรู้รับรู้โดยไม่ได้ตั้งใจจะรู้เพราะธรรมชาติเขาเป็นแางนั้นเราะฉะนั้นถ้าสงสัยข้องใจในหลักะวิธีการปฏิบัติสมาธิ ว่าภาวนาอะไรจึงจะดีจึงจะสำเร็จได้ไง่ายถ้าของใจตัดสินใจไม่ลงในเมื่อเรานั่งสมาธิให้มีสติกำหนดูลจิตของตนเฉย อ, อยู่อย่าไปตั้งใจคิดอะไรขึ้นมาแล้วสังเกตุว่าในขณะที่เราทำจิตให้เฉยว่างอยู่นั้น สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดคืออะไรคือลมหายใจเมื่อสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดเราตั้งใจกำหนดรู้สิ่งนั้นกำหนดรู้ด้วยอาการรู้สึกเบาๆอย่าไปบังคับจิตให้สงบอย่าไปบังคับลมหายใจให้หยาบละเอียดสั้นยาว หน้าที่ของเราเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือเรามีสติกำหนดรู้ธรรมชาติของกายการหายใจเป็นธรรมชาติของกายที่ว่าธรรมชาติก็เพราะว่าตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจมีอยู่ทั้งหลับและตื่น ทีนี้ถ้ า, าว่าจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปปล่อยให้อยู่ไปอย่าไปลรบกูนแต่ถ้าเพล่เพลเขาเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้ความคิดทันทีข้อนี้เราจะสังเกตได้ง่ายถ้ า, าว่าจิตมีความคิดเราตั้งสติกำหนดรู้ถ้าเขาหยุดคิดแสดงว่าจิตยังไม่มีพลังงาน ให้กำหนดดูความว่างให้จิตเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างแต่ความคิดจะไปตั้งใจคิดให้จิตมันคิดขึ้นเองแต่ถ้าจิตคิดขึ้นเองถ้าจิตมีพลังงานพอเรากำหนดรู้เขาจะไม่ยอมหยุด แม้เราจะห้ามไม่ให้เขาคิดก็ห้ามไม่ได้เขาจะต้องคิดไปตามคันรองของเขาดังนั้นในทางที่สังเกตจะควรจดจำไว้ในการต่อไปหากพระผู้ปฏิบัติสามารถทำจิตให้มีสมาธิมีจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข แล้วจิตมีความเป็นหนึ่งนิ่งว่างสว่างสวัยอยู่เฉยๆถ้าสามารถทำได้ไบ่อยๆเข้าการทำสมาธิไปถึงจุดว่างของจิตนั้นเป็นฐานสร้างพลังงานเมื่อจิตสร้างพลังงานพร้อมแล้วเขามีกำลังเขาต้องการทำงาน ดังนั้นเมื่อภายหลังมาเราอาจจะกําหนดจิตพับลงไปเพื่อเราจะปฏิบัติจิตจะมีความรู้สึกสงบผูไปเนตดนักแล้วความคิดมันจะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ําพุ่งเสิ่งนักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจว่าจิตคุ่งสั้นดังนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนายกหนอพองหนอเป็นตน าหา ก, กิจของเราหยุดบริกรรมภาวนาไปเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วจิตไม่ยอมหยุดคิดปล่อยให้คิดไปให้ท้าทายเลยว่าอยากจะคิดไปถึงไหนฉันจะนั่งดูแกอยู่นี่แหละ ในเมื่อเขาคิดไปเรากำหนมีสติกำหนดรู้รูู้เรื่อยไปจนรู้สึกว่าความคิดก็ดีสติก็ดีจิตก็ดีมันสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเหมาะเจาะพอคิดอะไรรู้ปับ๊บคิดอะไรรู้ปับ๊บคิดอะไรรู้ปับ๊บเป็นอัตโนมัติไปเลยลอยให้คิดไปแสดงว่าจิตของเรามีพลังงาน เอาละสำหรับการบรรยายในภาคตนนี้ใส่ปูถึงเรื่องศีลที่ได้สมทานมาแล้วความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีเป็นกิริยาแห่งความมีพุทธะอยู่ในจิตการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นได้คือว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมผ่านที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะกำหนดรู้อารมณ์จิต หรือตั้งใจจะละบาปความตัวประพฤติความดีทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอเป็นกิริยาแห่งพระสงค์คในใมีจิตใจเช่นนั้นแต่จะว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจขอยุติไว้เพียงแค่นี้